อีกก็สั่งให้คนโทษทั้งปวงนั้นเมื่อสอบความกันแล้วเนี่ยได้จํานวนเป็นพันก็ให้คนโทษทั้งปวงประมาณพันหนึ่งไปฆ่าเสร็จทั้งโคตรผิดกลางตลาดแล้วก็สั่งให้ขนทรัพย์สินสิ่งของทั้งปวงนั้นกลับเข้ามายัางทองพระคลังหลวง เขาเป็นอันว่าหมดทั้งโจซองโจอี้พี่น้องหราวนี้พี่แม่เขาจะได้ลองดูแต่ไปขอข้าวสุมาอี้ก็ให้ข้าวแล้วก็คิดว่าคงไม่ทำอันตรายแต่นี่โทษโทษที่ตนกระทำไวนะ้น่ะมันหนักนะักคิดแผนคิดการกันไว้แล้วจะโค่นล้มพระเจ้าโจหองเนี่ยกำหน ด, ดอีกสารเดือนข้างหนนะ้าแต่สุมาอี้ รูปการนิสก่อนกระทําการนิเซตได้สําเร็จขนาดนั้นมีคุณนางคนเป็นบุตรของแหววหัวเหลง อ, รอภรรยาของมีมีหญิงคนหนึ่งเป็นบุตรแหววหัวเหลงเป็นบุตรตรีแคววหัวเหลงเป็นเมียของโจหุ่นซกซึ่งเป็นน้องของโจส่องแปลว่าโจหุ่นซกเนี่ยตายนานแล้วนาง น, นัน้นเป็นไม้ มีบุตรชายคนหนึง่งครั้งหนึ่งบิดาจะให้มีสามีใหม่นางก็มิยอมสาบบสาบานว่าจะไม่มีสามีอีกแล้วก็เชือดใบหูเส้นหน่อยนึงครั้งโจซองเป็นโทษนี่บิดากลัวว่านางจะพลอยเป็นโทษไปด้วยเพราะแค่ลูกสาวมีสามีอีกป็นนางผู้นี้ก็มิยอม คราวนี้เอามีดเชื่อดปลายจมูกเสกหน่อยนึงก็ประสงค์แค่เสียโฉมแหละคนในเรือนเห็นนี้นนก็ตกใจก็จึงว่าเป็นธรรมดาคนทั้งปวงก็จะแต่งรูปโฉมให้งามทําไมเจ้าจึงมาทําให้เวทนาไปดังนี้นางก็ตอบว่าที่เรากระทําครั้งนี้อเพราะด้ประสงค์ที่จะไม่มีสามีอีกคนทั้งปวงก็จึงว่าโจซองนะ่ะ เป็นโทษคือต้องโทษขบฏนะ่ะบิดาก็กลัวว่าเจ้าจะพลอยเป็นโทษไปด้วยก็จริงแค่เจ้าเนี่ยมีสา ม, มีเสียหวังแค่พ้นจากการเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกับโจรสองเสียนางก็ตอบว่าประเพณีรูปผู้หญิงเมื่อยังหาสา ม, มีมิได้ ก็ตั้งอยู่ในบังคับบัญชาของบิดาแต่ถ้ามีสามีถ้ามีสามีแล้วก็ต้องตั้งอยู่ในบังคับของสามีถ้าสามีได้ยศศาสเป็นสุขก็เป็นสุขด้วยสามีถ้าสามีประกอบไปได้ทุก์ก็ให้สู้ทุกสู้ยาด้วยสามีเมื่อ ย, ยังมีชีวิตอยู่ รักใคร่ร่วมสุขร่วมทุกข์ฉันใดสามีตายแล้วให้รักใคร่ร่วมสุขร่วมทุกข์ฉันนั้นมีนางกล่าวอย่างนี้เป็นประเพณีอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้คือหญิงใจซื่อแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้นางกล่าวต่อไปว่าโจซองเมื่อมีบุญสิเราก็ได้พึ่งบุญเขามาครั้งเขาเป็นโทษ สิ้นบุญแล้วเราจะเอาตัวหนีออกหากดังนี้เห็นเป็นคนอักตันยูหารู้คุณเขาไม่เปรียบดังเหมือนสัตว์เดรัจฉานไม่รู้คุณคนนี่นางกล่าวเช่นนี้คือไม่ยอมที่จะคือเพียงแต่มีสามีซึก็จะพ้นจากความเป็นญาติเป็นเชื้อกับแซ่โจในฐานะที่นางเป็นภริยาของแซ่โจแซ่โจคนนั้นจะตายไปแล้วก็ตาม ในเมื่อผิดต้องโทษทั้งโคตรนี่เขาต้องซื่อติดตามเขาตัวอยากเชื่อพี่น้องมาฆ่าให้หมดนางก็ยินดีที่จะตายนางกล่าวเช่นนี้โดยการคงไว้ซึ่งความเป็นคนซื่อสัตว์กระตันยัวความอันเนี้ว่าแจ้งไปถึงสุมาอีสุมาอีนั่นก็คิดว่าใจคนัซื่ออย่างนี้หายากนะถึงว่าบิดาชั่ว มานดาดีควรเราจะขอเอาบุตรนางมาเรียนไว้จะให้ต่อแท่โจสืบไปสุมาอีกก็ขอบุตรชายของนางนั้นมาเป็นบุตรเลี้ยงเดียวเจก็ได้เข้ามาว่าแกสุมาอีวะ่ะพักพวกของโจซองนั้นน่ยยังหาสิ้นไม่สุมาเล่าจีกับสินเปสสองคนเนี่ย ฆ่าในประตูเช่แล้วหนีออกไปหาโจซองยังเอียวจงอีกคนนึงเมื่อครั้งโจซองส่งตราให้เอามามอบไปแกท่านเอียวจงคนเนี้ไปฉุดตรานั่นไว้สามคนนี้ควรจะเอาโทษซุมาอี้เขตอบว่าสามคนนี้ดีสัดซื่อตอนนายอย่าทำอันตรายแก่เขาเลยควรแค่เป็นขุนนางคงที่อยู่เราได้ชุบเรียงเขา เขาก็จะมีกระตันยูรูุคุณเรานี่สุมาอีกระเ็นเช่นนี้เป็นตรงกันข้ามกับเจียวเจแพรสุมาอีค่อยคนทั้งสามนั่นมาตั้งเป็นขุนนางคงที่ตําแหน่งดับตําแหน่งเก่าตามเดิม3คนก็คำนับพระกราออกไปสิงเปะคิดถึงความหลังแล้วก็ทอดใจใหญ่แล้วก็ว่าแก่สุมาอีว่าแก สุมาเล่าจีแหละเวจ๋งว่าเนี่ยถ้าเราไม่ฟังคำพี่เราที่ไหนเราจะรอดชีวิตว่าแล้วต่างคนต่างก็กลับไปยังที่อยู่แห่งตนและสุมาอีกนั้นก็เขียนหนังสือเกลียกลอมแขวนไว้ทุกประตูเมืองเขียนหนังสือนั้นความว่าแต่บรรดาพักพวกโจสองซึ่งหนีอยู่บ้านใดตำบลใดในคืนกลับเข้ามาอยู่ที่ย้าเรือนให้หมด เราไม่เอาโทษแล้วถ้าเป็นขุนนางไรทหารก็กลับเข้ามาคงที่ตามตำแหน่งรับราชการตามเดิมถ้าเป็นราษฎรก็กลับมาอยู่บ้านอยู่เรือนทำมาหากินตามภูมิลาเนาต่อไป สุมาอี้กระทาการครั้งนี้สําเร็จแต่ถ้าจะกล่าวว่าสุมาอี้เป็นขบุหรือประการใดอย่างไรนั้นมิได้เพราะสุมาอี้นิได้ร่มรังพระเจ้าโจฮองแต่ประการใดข่ายพระเจ้าโจฮองนั้นเมื่อสุมาอี้กระทําการปราบปรามประมาพระพวกโจซอง เนที่เรียบรอยแล้วก็ตั้งสุมาอี้ให้เป็นที่มหาอุปราชมียศเก้สิ่งตามบรรดาศัตด์สุมาเอะก็มิรับสุมาเอไม่ยอมรับตาแหน่งนี้เหมือ น, นอย่างเมื่อครั้งโจมิงเต๋อโฉนุนว่าเขาจะรับได้ก็ต้องบังคับกันให้กระทําเป็นสามหนุสามครั้งแต่สุมาเอไม่รับ ม, มิรับเลยพระเจ้าโจฮอง ก็มอบแกสุมาอี้สองครั้งนี่เป็นสามครั้งสุมาอี้จิงรับเป็นที่มาอุปราคาพระเจ้าโจฮองก็สั่งให้สุมาอี้กับบุตรวัดชการเมืองฝ่ายสุมาอี้ก็สืบสาวหาพรกพวกโจซองในเมืองนั้นเห็นสิ้นแล้วยังแต่แฮ่หัวป่าแห่หัวป่าซึ่งเป็นเชือดสายของโจซองโจซอง สร้ให้เป็นเจ้าเมืองฮองจิ๋วได้ว่ากล่าวหัวเมืองทั้งพวงซึ่งขึ้นแก่เมืองฮองจิ๋วด้วยฮองจิ๋วเป็นหัวเมืองเอกก็มีหัวเมืองโพหัวเมืองตรีขึ้นอยู่ด้วยสุมาอี้นั้นคิดว่าทาแม่แหวบป่ารู้ว่าโจซองเป็นมันตรายมันก็จะคิดแก้แค้นจะพรอยให้ฐานทั้งพวงได้ความยากสุมาอี้คิดแล้วก็จึงให้ต้านท่ายถือตรารับฟังให้หาตัวแหัวป่าเข้ามา นายแหวป่าเนี่ยก็ร <know> ู้ว่าโจซองน่ะเป็นอันตรายเสแล้วคิดถึงตัวนักจะทำการแก้ตัวก็จึงเกณฑ์ฐานได้สามพันจัดแจงนายทัพนายกองเตรียมการจะยกไปตีเมืองโลกเอียงเว้หวยซึ่งเป็นเจ้าเมืองเก่ารู้ดังนั้นก็พาสมัครพรรคพวกของตัวยกมาตีแหวป่าเว้หวย รือทวนขี่มาาควบเข้าไปร้องด่าแฮ ห, หัวปปาว่ามึงเป็นเชื้อพระวงควรรื้อมาคิดขบวต่อแผนดินแฮหัวปปาก็ร้องด่าเอาทีเดียวว่ามึงได้พึ่งบุญปู่ย่าตายายของกูมาก็ได้อยู่เย็นเป็นสุขไอซุมาอีมันคิดกาจัดแซดโจเสสิน้นมึงยังเห็นชอบด้วยอีกหรอมึงนี่มีเป็นพวกไอกขบวแล้วหรือหวอยหวในฝันนั้นก็โกรธนะขี่ม้าราทวนเข้าไป แหหัวป่าก็รำ ง, งาวเข้าสู้กับก้วยหวยได้ประมาณสิบเพลงกลวยหวยเสียทีก็ควบม้าหนีแฮหัวปา่าแฮหัวป่าได้ทีก็ควบมา้าไล่ติดตามไปทีเดียวทีนี้ฝ่ายต้านไายซึ่งซูมาอีใช่คุ้มฐานถือหนังสือให้แหก่แฮหัวป่าเนี่ยยกมาถึงก็พอดีครั้นรั่วแฮหัวป่ากับกลวยหวยรบกันกปีกระนาบเข้าไปช่วยก้วยหวย ฝ่ายแหวป่าเห็นต้านทายตีกระหนาบเข้ามาข้าทหารของตนลมตายไปนั็นมากหรือกำลังจะต้านทานพบพาฐานที่เหลือตายหนีไปยังเมืองฮันตงหันต ง, นตงสามิพักเข้าเป็นฆ้าของพระเจ้าเราเซียนแหงเสฉวนนายดานก็ให้มาชายก็ไปแจ้งแกเกียงอวีผู้รักษาเมืองหันตง เกียงอุยสงสัยมนะผู้จึงใช่ฐานไปซักใช้ถ่ายถามหาความจริงเมื่อได้ความจริงแล้วก็พาแฮววัป๋าเข้ามาหาเกียงอุยเกิดทํำคำนับแล้วแฮว์ป๋าก็ร้องไห้เล่าความซึ่งสุมาอี้ขาดโจซองและญาติพี่น้องเสียหมดสิ้นแล้วทุกประการให้เกียงอุฟังเกียงอุยต้องเรียกว่า อาุสิทธิ์เอกของหกหลงคงเบ้งนะ่ะเพียงอุยเนี่ยเกียงอุยได้ฟังดังนั้นก็จิงวัดท่านมาทางไกลนักสามิพัฒมาเป็นข้าในพระเจ้าเราเสียนครั้งนี้ไม่เสียทีด้วยพระเจ้าเราเสียนครก็เป็นเชื้อวงกษัตริย์เพียงอุยว่าแล้วก็ชวนแหัวาป๋ากินโต๊เด็กวกันแล้วก็ถามว่าไอสูมาอี้พ่อลุกนวาระการเมืองอยู่นั้น ท่านยังได้ยิงมันคิดอ่านจะกระทําการเป็นเสี่ยงหนามกับเมืองเสฉวนหรือไม่ไอ้หัวป่าก็จริงว่ะไปเท่าสัตรูแผ่นดินผู้เนี้ยบัดเนี้ยข้าพเจ้าเห็นมันยังคิดอ่านจะกระทําการขบถต่อพระเจ้าโจหองอยู่แต่ยังไม่สำเร็จตามความคิดถึงว่าจะคิดทําการกับเมืองอื่นนะ่ะเห็นจะยังนม่ได้ข้าพเจ้าเห็นคนดีมีสติปัญญา คุมฐานมากมายมีอยู่สองคนทัสุมาอใช่มาทำการเมืองกลางตังเมืองเสฉวนก็จะเป็นอันตรายเทวุย ก, ก, ก็ฐานทีเดียววะสองคนที่ท่านว่านั้นน่ะชื่อใดแหววะปะ๋าก็ตอบว่าคนหนึ่งชื่อจงโหยบุตรของจงหิวเป็นชาวเมืองเอ็งจิว๋วเมื่ออายุเจ็ดขวบ ิวผู้บิดาได้พาเข้าไปเฝ้าพระเจ้าโจผีพระเจ้าโจผีให้ว่าเพลงถวายจงโวยคนนี้เฉลยวฉลาดนักอายุเพียงเจ็ดขวบในตอนนั้นก็ว่าเพลงถวายได้ในทันใดพระเจ้าโจผีก็โปรดปรานครั้นเติบใหญ่มาจงฮิวผู้บีดาได้สั่งสอนให้รู้ตำราพิชัยสงคราม แล้วศึกษาให้ชำนาญในศิลปศาสร์สำหรับทหารเมื่อพระเจ้าโจผีดับศูนย์แล้วก็ได้เป็นที่ปีสูหลวงเจ้ากรมอารัดมาจนถึงครั้งพระเจ้าโจโ ย, ย่อยสุมาอี้กับเจียวเกอก็ยำเกรงจงโหยคนนี้นักและยังอีกคนหนึ่งชื่อว่าเป็น กล่าวถึงจงโหยกับเตงไงละเป็นบุคคลสำคัญในช่วงบั้นปลายของสามก๊กนต่เฮว์วะะ่าปัดกล่าวว่ายังมีอีกคนนึงที่ว่าเตงงายเป็นบุตรชาเมืองหนีเอียงมีดาตายแต่น้อยเต ง, งายผู้นี้น้าใจห้าวหารพอใจจะเป็นแม่ทัพแม่กองสแสวงหาวิชาการพิชยสงครามชมนิชมนานนะฟูมาอี้นับถือ จึงตั้งให้เป็นขุนนางที่ตำแหน่งขำจานกุญจิได้ว่ากล่าวบังคับบัญชาิหารทั้งหมดจงโหยและเตงายสองคนที่แลเห็นหลักแหลม<ะ>เดียนอุยเด้ฟันนั้นก็หัวเราะแล้วก็จริงว่าขาเจับพิเคราะห์ดูไอเด็กสองคนนี้ความคิดมันจะต้านทานเราไม่ได้ เทียนอุวีวาจันิแล้วก็พายแห่หัวป่าไปเฝ้าพระเจ้าเราเสียน้ำเงินเสชวนเมื่อข่าวเฝ้าถวายบังโคมแล้วก็ทูลว่าสุมาอี้คิดอ่านกําจัดโจสองเสียแล้วจะมาทําร้ายแก่แห่หัวป่าแห่หัวป่าจึงนีมาสวามิภักขเข้าด้วยเป็นข่าของพระองค์พายพระเจ้าโจฮองนั้นอ่อนแก่ความนะ ข้าพเจ้าเห็นว่าสูมาอี้พ่อลูกทำการทั้งนี้จะชิงเอาราจะสมบัติเป็นมั่นคงข้าพเจ้าพริเคราะห์ดูเมืองวีกกก็เห็นว่าร่วงรวยอยู่แล้วข้าพเจ้ารักษาเมืองหันโปงมาช้านานข้าวปลาอาหารก็บริบูรณ์ทหารก็มีกําลังมากขึ้นข้าพเจ้าจะขออาสาไปตีเมืองวีกอกวีกกนี่หมายถึงฮูโตโลกเอียงเนี่ย รเจ้าจะขออาสาไปตีเมืองุีกกจะตั้งให้แหวาป๋าเป็นทัพมาไปทำการเห็นจะได้เป็นมั่นคงเออยหุีเสนาบดีผู้ใหญ่ก็กิงว่าเตียวอ้วนตางอุ่นมีสติปัญญาฟินยรบุ้งกกล้าและเป็นฐานเอกของเราก็ตายไปแล้วในเมืองเราหามีคนดีไหม จะยกทักไปมาบักเนื้อเอ็นจะไม่สาเร็จท่านจะพึ่งเบาแกความให้ได้ท่วงทีแล้วจึงยกไปทำการเถอะเกียนอวีก็ย่ว่าท่านว่าทางนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยวันคืนปีเดือนก็ล่วงไปไม่หยุดเลยจะคอยท่าให้ได้ทีก็จะแก่เสียเปล่าและเมื่อไรจะได้ทีรับจึงจะยกไป วิวีก็ตอบว่าโบราณท่านกล่าวไว้ว่าแม่ทัพแม่กองผู้จะทำการสงครามเพื่งให้พิเคราะห์ดูกำลังความคิดแรฟิมีทหารและอาวุธของตัวกับข้าศึกถ้าเห็นชนะฝ่ายเดียวแล้วจึงให้ทำการถ้าไม่รู้จักหนะักเบาเลยเหมือนท่านจะไปทำการครั้งนี้ ถึงท่านมหาอุปราชซึ่งเป็นคนดีมีสติปัญญาเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็หาอาดจะกระทําไปได้ไหมเกียร์อ่ก็จริงว่าขบเจ้าอยู่ในเมืองหันโตนี้พิเคราะห์ดูพวกชาวเหนือในเมืองเกียงเห็นว่าจะมาเข้าเปรียบกล่อมด้วยขบเจ้าถ้าขบเจ้าจะยกไปทําการครั้งนี้ จมีหนังสือให้ไปเกลีย้ยก่อมเมียนเกียงก็จะยอมเข้าเด็กกระบะเจ้าขระบเจ้ า, าจะให้มียนเกียงเป็นทัพหนุ่ถ้ายังไม่ได้เมียนวีโกจะทำหัเ ม, มืองขึ้นทั้งปวงให้อยู่ในเนื้อมือให้จงได้อีกเกียงอิตส่กล่าวว่าถึงแม้ว่าจะไม่ไม่อาจตีเข้าไปถึงอาภูตโตลกเอียงได้ก็ตามเถอะแต่ก็อาจจะ ได้บ้านเล็กเมืองน้อยมาไว้เป็นเมืองขึ้นอยู่ในอานาจของตนพระเจ้าเราเสียงก็จึงว่าถ้าท่านจะอาสาเราไปตีเมืองวีกกครั้งนี้ก็จงตรึกตรองให้ละเอียดให้ทหารทําการให้เต็มฝีมือให้มีชัยชนะแก่ข้าศึกจงไม่อย่าให้เสียทีเกียงอุยก็ทูลลา พาแหววป่ากลับมายังเมืองฮันตงเกียรติเมื่อกลับมายังเมืองฮันตงแล้วฮันตงนี่เป็นเมืองทหารเมืองสำคัญของเศฉษน ฮันโปงมีชื่อเรีย อ, อีกชื่อนึงว่าตั้งขวนและหันโปงเนี่เป็นเมืองสําคัญที่คุ้เบ่งเด้สถาปนาไว้เป็นเมืองทหารสะสมสะเสบียงพถ่คนทั้งหลายก็ณที่นี้แหละและเกียงอุยเนี่ยเป็นเจ้าเมืองหันตงน๋งอยู่นี่เมื่อเกียงอุยเด้กกราบคุอาสาการทั้งพวงพระเจ้าเราเสียงทรงอนุญาตแล้ว กลับมาแล้วพอกลับมาถึงเมวยงฐานถึอหนังสือไปเรียกก่อมเมืองเกียงแล้วก็ปรึกษากันว่าเราจะให้กูอังหรืออินสองคนนี้คุมฐานหมื่น้าพันยกไปปีกล้ยวยหน่วยเมืองเองจิวก่อนนี่เมืองเองจิวก็เป็นเมืองของแหัวป่ามาก่อนนะนี่ให้ไปตีเมนี้ก่อนนี่เป็นจุดสำคัญก่อนไหม และให้ไปตั้งค่ายอยู่หนะ้าเขาโกกสันเป็นสองค่ายทําการไปคลางก่อนและเราจรึงค่อยยกทัพตามไปปรึกษาเราก่จัดแจงมา้าและเครื่องสัตร์อาวุธข้าวสเสบียงและค่อุกูอันลิ่หินยกไปกูอันลิ่หินยกไปถึงเขากกสันก็แยกฐานมาเป็นสองกองกองละเจ็0พตั้งค่ายกระหมาเขากกสันไว้ กูอันมันอยู่ข้างทิศตะวันออกของเขาโคกสันลิลิมันอยู่ข้างทิศตะวันตกฝ่ายทหารกองระเวนอ่าของก้วยเหว่ยฝากความนี้ค่อยมาใช้เอาเนื้อความนี้ไปแจ้งแก่กล้วยเหว่ยจะเมืองเอ็งจิ๋ว่เคียงอุยเมืองหันตงให้ยกกองทัพมาตั้งกระนาดเขากกสันไว้เป็นสองข่าย กุ้ยหวรู้ดังนั้นก็มาชายถึงถือไปแจ้งของจัด ก, การณเนะมืองโลกเอียงฝวายต้านไทายซึ่งถือหนังสือมาเรียกหาตัวแฮห์วัป่าเนี่ยแล้วแฮห์วัป่าก็ห น, นีมาอยู่เสฉวนแล้วเนี่ยต้านไทายนะ่ยยังไม่ได้กลับไปเมืองลกเอียงด้วยหวยก็ให้ต้านทายนี่แหละคุ้มฐานห้าหมืนยกออกไปอุอนอิ น, นสองทหารของ เกียงอุยแห่งเสฉวนเห็นต้านท่ายกยออกมากูอังหิ้มก็ยกออกจากค่ายเห็นฐานต้านท่ายำมากนักจะต้านทานนี้ได้ก็พาฐานกลับเข้าค่ายเลยฝ่ายต้านท่ายนั้นค่อยฐานตั้งค่ายร้อมไว้ทั้งสองค่ายแล้วเกงกองทัพให้ไปส ก, กัดต้นทางนี่เป็นการตัดลำเลียงคือตัดกองสเสบียงที่จะส่งมาถึงกัน ไฟกูอันลี้อิงอยู่ในค่ายฉะนั้นจะออกไปทำํำอะไรเขาก็มิได้ด้ยวยฐานขาดศัตรูมากมายนะั้แล้วข่าวปลาอาหารสเสบียงก็ขาดการติดต่อไม่มีการส่งสเสบียงได้ข่าวปลาอาหารก็ขาดสมกวยหวยนั้นก็ยกกองทัพออกไปเห็นต้านท่าย้อมขาดศึกไว้ได้ดังนั้นก็ดีใจนะั้ ก็เข้าไปในค่ายแล้วก็ววาแกต้านทายวะ่ะค่าสึกนี้ขัดสมด้วยน้าอยู่แล้วแต่อสายก็แต่งน้าในลำพานที่ไหลามาจากภูเขาพอถ้าเราคิดอ่านปิดกั้นลาพานแ้วเท่านั้นแหละอย่าให้น้าไหลลงไปได้ค่าสึกอดน้ำเข้าก็จะถอยกำลังลงและเราก็จะเข้าหาัเอาค่ายเห็นจะได้โดยสะดวก ต้านท่ายฟังก้วยหวยว่าชนี้ก็เห็นชอบเดืวยก็เกณฑ์ในฐานไปสมทบปิดทานน้ำเสียเมื่อลำทานน้ำถูกปิดกั้นฉะนั้ น, นะปีหินเห็นฐานอดน้ำนิ่งนะก็คุมฐานออกจากค่ายจะไปตัดน้ำทหารของต้านท่ายก็ออกรบไปสกัดไว้นี ห, หินเห็นเือกกำลังนะ ก็ต้องพาทหารกลับเข้ามาในค่ายอ่ะฝ่ายกูอ๋งก็เช่นกันแหละเห็นทหารอดน้ํายิ่งนะักก็ยกทหารมาพาลีหิมออกไปเป็นสองกองจะไปปักน้ําทหารของต้านถ่ายก็ตีสกัดวัดไปไม่ได้อีกก็ต้องพางกันถอยกลับเข้าค่ายลีหิมก็ปรึกษากับกูอ๋นเนี่ยวะ่ะ นิ่งอยู่ดังนี้ก็ไม่ได้เราจะตายด้วยขาดน้ําจําจะต้องยกหนีไปกูอัานได้ฟังก็ไม่ยอมก็จริงว่าเพิ่งจะยกกลับไปนั้นนะ่ะเอ็มไม่ชอบจําเราจะคอยท่ากองทัพเกียงอุ้ซึ่งจะยกตามมานิหิมก็จริงว่าแล้วเมื่อไรเกียงอุ้จะยกตามมาเราบัดนี้ข้าศึกก็ปิดทางน้ําไปแล้ว ถ้าเราจะอยู่นเน่ยก็จะพากันอดน้ำตายเช้สิน่นท่านนี้ไปแล้วแต่เราจะไปมีเกิดการแตกแยกกันทนแลาสนมนว่าแล้วลิหิ่มก็ชวนทหารไปประมาณส0สิบคนครั้นเวลากลางคืนก็ไตฟฝาออกไปแต่ฐานของต้านท่ามากมายนั้นก็รบสกัดไว้ข้าฟันทหารของลิอิน ทั้งสี่สิบคนตายสิ่งตัวลิหินเองก็ถูกอาวุธบาเดเจ็บเป็นหลายแห่งแต่หนีออกไปได้ก็ขี่ม้าไปตามเชิงเขาเซสัง่งในเวลากลางคืนนั้นมืดนะก็ะหารู้ที่จะหาน้ากินนาทีใดได้ไหมได้กินก็แต่น้ำค้างและอดอาหารไปจนั้นถึงสองวันทิ้งไปพบกับกองทัพเกียงอุย เป็นอันว่ากองทัพที่เกียงอุยส่งเข้าไปคือลิหินกูอ๋องอ่ะทั้งสองเนี่ยไปเกิดการแตกแยกแยมขึ้นด้วยจากการที่ถูกปิดกั้นทางน้ําูอ๋องเ น, น่ยไม่ยอมหนีโดยว่าจะตั้งมั่นคอยท่ากองทัพเกียงอุยส่วนลิหินเนี่ยก็ออกมัด ฟันฝ่าออกไปนะตัวเองเนะนี่ยวไปได้หรอกแต่ทหารประมาณสี่สิบคนนะ่ยตายหมดลิมห น, น, นีไปสองวันไปพบกับกองทัพเกียงอุยก็ลงจากเลังมาเข้าไปหาเกียงอุยแล้วก็แจกเนื้อความทั้งพวงให้ฟังโดยกระการสําคัญก็คือว่าต่างกองทัพคอยถ่าเกียงอูยอยู่นานแล้วไม่ยกตามไปสักทีอนะ่ะเกียงอุยก็จริงว่า ไม่เช่ว่าเขาจะนอนใจเตรียมกองทัพแล้วก็จะรีบยกมาผิดช้าอยู่ทางนี้ก็เพราะต้องคอยผ้ากองทัพเมืองเกียงด้วยยังไม่เห็นมาเลยคือเกียงอวี๋หวังจะได้เมืองเกียงนี่เป็นกำลังสมภพอันสําคัญอยู่เหตุที่ช้านี่เพราะคอยท้ากองทัพเมืองเกียงเนี่ยเกีอุี๋ว่าแล้วก็ะหอยทาร์ทรงตัวหัวหิน สูบ่องอาวุธบาดเก็บเป็นร้ายแห่งกลับไปรักษาตัวที่เมืองเสฉวนเกียร์หิ้งก็วักกับแพว่วป่าว่งเราคอยท่ากองทัพเมืองเกียงชาแนาลแล้วก็ไม่เห็นมาเลยบัดนี้กองทัพถึงให้ไปตั้งอยู่ที่เขาโกคกสังนั้นเห็นจะเสียดีแก่ข่าศึกซะแล้วเราจะคิดอ่านประการใดอ่ะ จะมีชายชนะแก่ข่าสึกแหว์วป่าก็ดิ่ว่าเขาจะเห็นว่ากองทัพเมืองเองติวยกออกไปล้อมลิหิมกุอันอยู่แล้วถ้าเรายกไปเข้าทางเขามียวเทาสังด้านหลังของเมืองเอ่งจิวตีเข้าไปเลยกวยหวยต้านทยายก็จะต้องยกกองทัพ กลับมาสู้กับเรากองทัพกูอันก็จะพ้นอันตรายแฮว์ป่าเปล่าชีอย่างนี้เพียงอุยได้ความก็มีความยินดียิ่งนะก็จึงชมว่าท่านคิดอุบายดังนี้เห็นจะมีชายชนะเป็นแท้เลยกินอุย ก, ก็เร่งรีบยกกองทัพไปกระทําตามความคิด ตัวหวยที่ไปรอมกองทัพอู่อังลิหินเนี่ยน่านถ่ายนี่นก็ปรึกษากับกตัวหวยว่ามัตเนี่ยลิอินกบฝ่าวงรอมหมีไปได้แล้วเห็นจะต้องไปบอกแกเกียงอุยเกียงอุยก็จะรู้ข่าวว่าเรายกกองทัพมาล้อมอยู่ณที่นี้เห็นทีเกียงอุยจะต้องยกทัพ เข้าไปทางเขามีเทาสังเป็นมั่นคงขอให้ท่านยกทัพไปสกับบรรดอยู่ในตำบลเตียวสุยอันเป็นต้นทางอย่าให้ทรงลำเลียงได้ส่วนข้าพเจ้าจะยกกองทัพไปตีเกียงอุยซึ่งถล่มก็มาถึงเขานิ้วเทาสัง น, นั้นและถ้าเกียงอุยรู้ว่าเราสกัดตัดทางลำเลียงก็จะต้องตกใจแตกหนีกลับไปเป็นมั่นคง ท่ายก็อ่านแผนการเรียกว่าแผนเดียวกับแพร่วป่าเหมือนกันแต่ดิเป็นฝ่ายตั้งรับเว้ยฟังตั้งทายว่าดังนี้ก็เห็นชอบด้วยก็ยกไปกระทําตามที่คิดกันเหมือนการหลัอดูซิใครที่จะเหนือกว่ากันหลักที่นี้ฝ่ายกองสอดแมนเพื่อมาใช้มาบอกกับเกียรอุยร่ยทีราว่าบัด น, นี้กองทัพึเองกิ่งยกออกมาแล้วเกียง์ุยก็ ขึ้นมาถึงทวนเร่งรีบพาฐานเข้าไปทีเดียวพรองวะกูรู้อยู่แล้วว่ามึงจะต้องยกเข้ามาทางนี้อ่ะกูจึงยกออกมารับนี่ต่านท้ายวานี่ก็ขี่ม้ารำง้าวเข้าไปทีเดียวเกียรอุ้ก็รำทวนอันเป็นอาวุธคู่มือเข้ารบกับป้านท้ายสู้กันได้สามเพลงต้านท่ายก็หนีพาก อ, องทัพขึ้นไปบนเขามงิเทาสัน เกียงอุ ก, ก็ไม่ตามขึ้นไปละตั้งใครอยู่ที่เชิญเขาละและให้ฐานไปร้องท้าทายต้านท่ายแค้เร่งยกลงมารบกันต้านท่ายก็ยกฐานลงมารบกับเกียงอุยเป็นอยู่เช่นนั้นหลายวันก็ไม่ไดแพ้ชนะแก่กันแห้วป่าก็จกึงว่าแก่เกียงอุยวะเรารบกันจช่นนี้หลายเวลาแล้วก็ไม่อาจจะเอาแพ้หรืชนะแก่กันได้ อยู่นานนะักไม่ได้ด้วยกระเบื้องเพลงว่าขาดสถจยคิดอุบายทาร้ายแกเราขอให้ท่านราชาไปก่อนเถิดเราจะได้คิดกับอุบายอีกให้มีชัยชนะให้จงได้ขณะนั้นทางฝ่ายกล้วยหวยบามาชายกองสอดแนของกล้วยหวยก็เข้าไปบอกกับกล้วยหวยว่าอา่อาการขอแผ่มาชายของ เกียรอุ้ได้เข้ามารายงานว่าบัดนี้กองทัพอุยหวไปตั้งสกัดต้นทางเห็นว่าจะส่งเสบียงรำเรียงเสบียงกันขัดสมเกียร์อุ้รู้ข่าวนี้ตกใจทีเดียวจริงที่ต้านท่ายขาดคะนนนไว้แล้วเกียร์อุ้ยก็แหวว่าปาลาทับไปก่อนแล้วเกียรอุก็ยกตามไปภายหลังฝายต้านท่ายซึ่งอยู่บนภูเขาแล้วเกียร์้ ถาทหนีแล้วก็จัดแจงแม่ทัพนายกองเป็นห้ากองให้รไร่ตีกระหม่าไปข้างละสองกองส่วนตัวเองไปตามไปข้างหลัง <S <S เกียห์อุยนั้นอยู่รังท้ายเป็นกองหลังระวังท้ายรบต้านทานไว้ฝ่ายต้านทานก็หักโขมเข้าไปไม่ได้เหมือนกันถูกเกียร์อุยป้องกันไว้อย่างดีแต่เกียห์อุยก็รีบยกทัพหนีไป ฝ่ายกุ้ยหวยก่อนโยธาล์ก็ตีสกัดไวะ้เกียนอุย ก, ก็พาฐานโจมปีปันฝาหักออกไปได้แต่ถึงหักออกไปได้ก็ตามเถอะทหารของเกียนอุย ก, ก็ล้มตายเปน็นอันมากที่ยังเหลืออยู่นั้นนะ่ะน้อยกว่าที่ตายไปซะอีกคือตายไปยะกว่าครึ่งและเกียนอุยพาฐานไปปะกับกองทัพของซูมาสู บรมารอี้เขใหา้แต่แรกที่เกียงอุยยกไปตีเงินเองจิ๋วเน่นะกุยหวยเอ่อให้มีหน้ซื้อไปขอกองทัพซูมาอี้มาช่วยซูมาอี้จึงให้ซูมาสู ย, ยกทมาช่วยพร้อมด้วยไพรพลจำนวนห้าหมืแต่ซูมาสูเนี่ยรั่เกียงอุยรบอยู่กับกุยหวยอะซมาสูก็ยกมาสกัดต้นทาง สูมาสูคนนี้รักษณะหน้ากลมอ่อริมฟิปปากหนาใบหูใหญ่หางตาข้างขวามีรมใหญ่อยู่เท่าผลส้มมาแป้นแล้วก็มีขนอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบเส้นนี่ ท, ทีที่ที่หางตาข้างขว า, ามี มีปมใหญ่เท่าผมส้มมาแป้นผมส้มแป้นแล้วก็มีเส้นขนขึ้นอยู่ประมาณ4 0่สห้าสิเส้นมี่ลักษณะของสุมาสูเขาเป็นอย่างนี้สุมาสูเนี่ยครั้นเห็นกองทัพเกียนอุยมานี่ก็ขึ้นมารำง้าวออกไปทีเดียวเกียนอุยรายเห็นก็โกรธนะก็ร้องว่าไอ้เด็กน้อยเท่านี้หวรรือองอาจมาสู้ปู ว่าแล้วเกียงอุย ก, ก็ควบมาเขารบกับสุมาสูสุมาสูก็เข้าสู้กับเกียงอุยสู้ได้สามเพลงสุมาสูเห็นเหลือกาลังนะัดก็พาฐานหนีเกียงอุยนี่ฝีมือดีฝีมือดีเพลงทัวร์นึงเป็นที่จัดการจัดการอัศจรรย์กว่าเขาทั้งปวงละแตเกียงอุยเมื่อสุมาสูหนีแล้วก็พาฐานหนีต่อไปถึงด่านแอบเบงกวน อันเป็นดั่งมือเสฉวนทหารก็เปิดประตูรับเกียงอุยเข้าไปแล้วก็ปิดประตูซูมาสูกลับตามเข้ามาให้ทหารทำลายประตูเมื่อคงเบ่งจะใ ก, กล้าตายนะได้สอนทหารคือได้ได้ให้ตำราที่จะทำเกาทันที่ยิงล็ก ทีละสิบดอกให้แกกินอุ้ยเขาไว้นะกินอุ้ยเขาได้กระทำนี้ขึ้นไว้แล้วดีเรื่องวกเกาทำเกาทำเร็วยิงได้ทีระสิบรูกเลยเนี่ยนี่เป็นวิชาของของเบงที่สั่งสอนเขาไว้ให้ทหารใช้หน้าไม้ชนิดพิเศษเนยยิยงได้ทีเดียวสิบรูปเลยเนี่ยทหารที่อยู่บนหอรบเนะี่ยก็ใช้หน้าไม้ชนิดเนี่ยยิงลงไปดังหาฝนเลยทีเดียว ถูกทหารสุมาสูตายเป็นอันมมาฝ่ายสุมาสูครั้นเห็นเสียชีวิตใกล้ผลมากมายเช่นนั้นไม่อาจจะตีด่านแพดดิงกวได้แล้วก็ยกทัพกลับไปที่นี้ค่ะฝ่ายกุ๊กอ๋นซึ่งรักษาค่ายอยู่ที่ริมเขาวกกสัง น, นเมื่อลีหินพร้อมด้วยทหารสี่สิบนายฟันฝ่าวงร้อมออกไปแล้วนะ กูอันก็คอยคอยกองทัพหนุ่มคอยกองทัพเก่งวีจะมาช่วยก็ไม่เห็นมาสักทีทหารก็อัตกะชัดขัดสนด้วยําเป็นยิ่งนะครั้งจะหาออกไปก็หาไม่ได้ก็จึงเปิดประตูค่ายพาทหารออกมายอมเข้าเด็กกลวยหวยเลยคือยอมแพ้กแกกลวยหวยเมื่อกองทัพเก่งวุยกไปทําการในครั้งนี้ เสียทหารมากมายนะครั้งกลับไปเมืองฮันตงก็ให้ซ่อมแปลงกําแพงข่ายคูประตูหอรบซึ่งชั้นรู้สึกโสมให้มั่นคงแต่ ว, ว่าเกียร์อกรทําการครั้งนีออ้นอกจากไม่สำเร็จแล้วนี่ไม่เป็นผลแล้วเนี่ยยังเสียผลมากมายทีเดียวนี่ค่ะฝ่ายชุมาสูเดือดไม่สามารถจะตีดานแฮด์งกวนได้แล้ว ก็เสียช <Sum asu, S 1> yani, so, so, ีวิตพรายพลไปเป็นจำนวนมากด้วยหน้าไม้ชนิดยิงเร็วสุมาสุก็กลับสุมาสุกลับไปมืนโรคเอียงก็เข้าไปแจ้งข้อจัดการไทยแก่สุมาอี้ผู้บีดาได้ทราบทุกประการเป็นอันว่า ศึกเสฉวนหูโตรครั้งที่หนึ่ที่เกียงอุยบุกรุกเข้าไปเราจะสังเกตแต่ตั้งแต่ครั้งของเบ่งกพยายามหรือเกินที่จะตีหูโตโลกเอ็นหรืออุย ก, ก้ม่ให้จงได้เนี่ยก็ต้องกล่าวว่าตลอดชีวิตของเบงกระทำไม่สำเร็จเกียงอุสยสังสิทธิ์เอกเร่มครั้งที่นึง ก็เปลี่ยนพลัพมบอกช้ำกลับไปเลยทีเดียวครั้งนั้นพระเจ้าโจฮองสเสวยราชได้13ปีวิตรงกับปีพุทธศักราช794พอถึงเดือนสิบสุมาอีป่วยหนะักเห็นจะไม่รอด จึงไดรียหาสุมาสุสมาจีบุตรทั้งสองเข้าไปถึงเตียงที่นอนแล้วก็พูดว่าบิดาได้เป็นที่มหาอุปราชว่าราชการทั้งแผ่นดินก็กระทําโดยศัตว์โดยธรรมหาได้คิดคดต่อแผ่นดินไม่คนทั้งปวงก็ยังมักแกล้งว่าบิดาเป็นขบถต่อแผ่นดิน เราได้อาศั ย, ศยสัตว์สุจริตรักษาตัวจึงหาเป็นอันตรายไม่บัดนี้บิดาจะตายแล้วเจ้าจะเป็นข้าราชการท่านสืบไปจงตั้งใจสัตว์ื่อสามิพาฒปรดเจ้าแผ่นดินว่าจะซิ่งชีวิตทำการสิ่งใดก็อย่าเบาแก่ความจงกลึกร้องให้ละเอียดแล้วจึงทำ พเพราะกล่าวสิ่งคําแล้วสุมาอีก็ตายโดยใจความสำคัญเป็นห่วงต่อบ้านเมืองเป็นห่วงต่อแผ่นดินต่อประมหากรสัตถ์ถือกันว่าเป็นที่วิบัติก่ตนทีเดียวถ้าจะกระทำการอันเป็นขบตรแผ่นดินเนี่ยท่านแต่ก่อนๆมิจะสั่งสอนลูกหลานไว้ชนิดเหตสัตว์ซือสามิพัฒ์จงรัก เขาจะแผนดินกันกว่าจะสิ้นชีวิตสุมาอี้กล่าวสั่งอนลูกทั้งสองแล้วถึงแก่ความตายแล้วสุมาสูสุมาเกียวก่เนื้อความเนี่ยขึ้นไปกราบภูนต่อพระเจ้าโจหองว่าสุมาอีบิดาข้าพเจ้าตายแล้วพระเจ้าโจหอ ง, งก็สั่งให้จัดพนักงาน สบสุมาอีตามกนบทเนียมหาอุปราให้เชิญสพไปฝังไว้นักกุบจารึกอักษรไว้ตามประเพณีแล้วตั้งซูมาสูลูกคนใหญ่ขึ้นเป็นที่เสนาบดีผู้ใหญ่ตั้งซูมาเกียวให้เป็นที่เตียวกีเซียงจงขุนแม่ทัพใหญ่ละ ว่ากล่าวทหารทั้งตปวงคือมีอำมากควบคุมการทหารทั้งสิน้นอันนี้ก็หมายความว่าแซดสุมาสองคนนี้เป็นใหญ่ในแผ่นดินวิกกทังฝ่ายการทหารคือสุมาเกี่ยวฝ่ายการพลเรียนคือสุมาสูง อันปกล่าอีกเมืองหึงดูสงบนไปสุกอยู่คือต่างต่งฝ่ายพระเจ้าสูงกวนอยู่ในเมืองกลางตังกดต่างให้สุนเต๋งบุตอันเกิดจากนางซีูหยินเกิดจากนางสนุมเองเป็นอารัชายักครั้งต่อมาสุนเต๋งตาย เมื่อซุนเต๋งตายแล้วก็ต่งซุนโฮซึ่งเป็นบุตรของนางฮองหุยินให้เป็นภายาต่อไปเป็นไายจู้อยู่มาอยู่นานมาซุนโฮวิวาดกับนางกิมกงจูผู้เป็นพี่สาวนางกิมกงจูได้เข้าไปทุนยุยงบิดาคือเพเื่อจะสืบกวนให้โกรธ สุนโหออกจากเสื้อออกจากที่ไทจูใช่ไหุนโหเครับความแข้นเขื่อนเจ็บอายจอมใจเป็นไข่ตายเพรอเจ้าซุนกวนมีคือรอรสสององคซุนเติงตายสุนโโหเอากัดตายเพรอเจ้าซุกวนเนี่ยก็เรียนบุตของนางทัวหูยิน แต่งต้างถึงเป็นไทยจื้อต่อไปครั้งนั้นลกสุน่นลกสุน่นลกสุน่นผู้มีปัญญาคุณทับมุมคมสำคัญของกลางต่างผู้ยับยังกองทัพปลายมาติบสองหมืนของพระเจ้าราวปีได้สำเร็จนะ่ะลกสุน่นคนนี้แหละจูกัดกินพี่ชายจูกัดเหลียงของเบ ซึ่งเป็นคนมีสติปัญญาทั้งสองของแผ่นดินกลางตังเนี่ยก็ล่วงรับไปแล้วตายไปแล้วก็มีคุณนางผู้หนึ่งชื่อจูกัดกจูกัดเก็กแสจูกัดเชื้อสายของไม่มีแหละแสเดียวกันในว่ารจการใหญ่น้อยทางปวงในแผ่นดินกางตังครั้งเดือนสีขึ้นหนึ่งคำ บันเกิดเหตุพายุใหญ่คลื่นในแม่น้ำและทะเรกำเริบนะักเกิดน้ำใหญ่ท่วมในเมืองกลางตางน้ำลึกถึง8ศอกนี่น้ำท่วมถึง2วา8ศอกพายุถอนเอาต้นสนใหญ่ซึ่งปลูกอยู่หน้ากุฏิฝังศพซุนเซกลอยขึ้นไปในอากาศ แล้ตนฝนก็ตกลงมาลิมประตูเมืองกลางตางออาปลายลงปัดดินอยู่ฉะนั้นพระเจ้าสืบกลัวเห็นประราดแต่ก็หารู้ใหม่ว่าจะดีจะร้ายประการไหนก็เป็นทุกข์ในประเทศไทยอยู่ในที่สุดก็ประชวนยึกช้านานประมาณขวบปีโรคนั้นเติมเรื้อรขึ้นเห็นจะไม่รอดแล้วก็จึงไงหาจูกะเก็กและลี่ตายซึ่งเป็นคุณนางผู้ใหญ่สองคนเข้ามาถึงที่บงังโถม แล้วก็กล่าวฝากฝังบ้านเมืองบุปรรยาประชารัตแล้วก็สิ้นใจตายสุนกวนนั้นตายเมื่อเดือน6ปีพุทธศักราช795อายุได้71ปีเป็นกระสับกระส่รยจะสมบัติได้24ปี เาผ่านไปความร่วงโรยของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลก็ผ่านไปถ้าแจกกล่าวกั็นบกบใหญ่ๆเอากันตัวบุคคลโจโฉสิ่งไปก่อนนานแล้วป้อมากับเหล่าปีมาบัด น, นี้ซึ่งกวนกล่าวถึงบุคคลใหญ่ๆสามคนนิกเป็นวัจูกัดเก็กแสตจูกัด พร้อมกับคุณนานผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงก็ให้สุนเหลียงเนี่ยให้สุนเหลียงขึ้นสเสวยราชแทนซุนกวนพระบิดาพระเจ้าสุนเหลียงก็ให้แต่งการเชิญศพซุนกวนพระบิดาไปฝังนาะท่ตำบลเลียวเหลงตามประเพณีแล้วให้การุดอักษร ว่าทิดฝังศกพระเจ้าไต่้องเตมสิที่การเปลี่ยนแปลงในเมืองกันตังเป็นใบดังกล่าวก็มีคนเอาเนื้อความเนี่ยไปแจ้งแกซุมาสูเสมาบรีผู้ใหญ่แห่งวีก็ลกเอียงว่า พระเจ้าสืบกวนตายแล้วสุมาสูจแจ้งดังนั้นก็ปรึกษาคุณนานผู้ย่ผู้น้อยทั้งปวงทีเดียวว่เราจะยกกองทัพไปตีเอาเมืองกลางต่างเนี่ยเกณนประการใดแต่เขาตวนที่ปรึกษาหู้นึ่ก็จริงว่าก็ยังหาเห็นทีที่จะได้ไม่เดีวเมืองกลางต่างนั้นมีแม่น้ำขวางกั้นอยู่เป็นที่ขับขัน ถ้าสึกที่จะไปทำการก็อยากนะกระสับแต่กอๆหลายพระองค์มาแล้วยกกองทัพไปตีก็หาได้ใหม่สิ่งจะยกกองทัพไปทำการครั้งนี้ข้าพเจ้าหาเห็นด้วยใหม่บ้านเมืองของใครใครก็รักษาอยู่ก็เห็นว่าจะเป็นสุขกว่าถ้าได้ทีแล้วยกไปตีจึงจะมีชัยชนะคือคือให้รอให้ได้ทุกที เท่าก่อนและยกไปปีจึงจะมีชายชนะว่าอย่างนั้นสุมาสูก็จริงวะซึ่งจจยับยังสงบอยู่คอยให้ได้ทีนั้นสักเมื่อไรเราอายุเราเนี่ยจะยืนสักกี่ร้อยปีจึงจะได้ทีดังท่านว่าเรามีสุมาสูท่านเสนาบดีผู้ใหญ่ กล่าวดังนี้ซูมาเกียวผู้น้องท่านแม่ทัพใหญ่กลุ่มกำลังทหารทั้งสี่เมลกดมือเนี่ยสุมาเกียวผู้น้องนี่ก็จริงว่าสิ้นกวนสิ้นตายแล้วชื่นเลี้ยงลูกเล็กแต่สมบัติแทนบิดาอายุก่น้อยทั้งความคิดก็อ่อนถ้าเรายกไปทําการก็เห็นจะได้ฝ่ายเดียวมีสุมาเกียวว่าอย่างนี้สุมาสูผู้พี่ก็เห็นชอบด้วย ริงใช่อองซองเป็นมาฐานใหญ่คุณฐานสิบมืนให้บูขิ้วเขียมคุณฐานสิบหมื่นให้สุมาเกียวผู้น้องเนี่ยเป็นแม่ทัพหลวงยกไปตีเมืองกางตังมีโกยกกองทัพไปครั้งนั้นเป็นเดือนสิบสอง ยกทัพไปถึงแดนเมืองการต่างแววสุมาจีวแม่ทับหลวงก็ไยหานายทัพนายกองทัพหลวงมาปรึกษากันว่าหัวเมืองการต่างทั้งปวงเห็นมั่นคงนะก็ยังแต่เมืองตั้งหินด้วยหน้าเมืองนั้นมีป้อมใหญ่กระนาบอยู่ทั้งซ้ายขวาซึ่งจ่าก็ไปนั้นยากนะเราจําจะต้องจัดแจงให้ดี สุมาจิลแมทัพหลวงว่าแล้วก็สั่งให้ององซองดูขิวเข้มสองนายเนี่ยคุมทหารคนละสามหมื่เป็นปีกซ้ายขวาแล้วก็สั่งว่าอย่าพุ่งตีก่อนต่อกองทัพหลวงอันเป็นทัพหน้าปีกซ้ายปีกขวาพร้อมกันแล้วก็จะได้ช่วยกันระดมตีเอาทีเดียวแล้วก็ให้อาวจุนเป็นทัพมากคุมทหารห้าหมื่ พร้อมกับสั่งว่ทาท่ายกไปถึงปีนท่าแล้วให้ทาสะพานแพข้าแม่น้ำเมื่อกระทัาสะพานแพข้าแม่น้ำไปได้แล้วจัดทหารออกเป็นสองกองเร่งเข้าตีป้อมซ้ายขวาถัดตีได้แล้วท่าจะมีความชอบนะเอาจุงก็ยกไปฝ่ายจู ก, กัดเกตจู ก, กัดเ ก, ก เป็นใหญ่ในเมืองกันตังแจ้งว่าสุมาเกียวเมองวีกกยกกองทัพมาก็จึงหาคุนนายผู้ใหญ่ผู้น้อยที่ผุดสารขาวบวนกลมาพร้อมกันแล้วก็จริงว่าสุมาเจียวยกทับมาครั้งนี้เราจะได้ผูดด้นายออกไปต้านทานเป็นหองนายทหารผู้ใหญ่ก็จริงว่าเมืองตังหินเนี่ยเป็นกำลังอันสำคัญของเมืองกังตัง ด้วยค่าปลาอาหารถึงพวงก็บริบูรณ์แล้วก็มีป้อมค่ายมั่คนคงเป็นที่ขับขันถ้าเสียเมืองตังหิน แ, แล้วก็เห็นว่าเมืองบูเฉียงก็จะพลอยไปมันตรายด้วยก็ควรที่เราจะต้องรักษาเมืองตังหินไว้ให้มั่คนคงจุ ก, กัดเก็ตก็จริงว่าที่ท่านว่านี้ชอบนะท่านจงเป็นแม่ทัพเรือ คุมทหารสามพังยกไปนกกีตองจูเหล่าเบาทหารสามคนนี้คุมทหารคนละหมื่นเป็นแม่ทัพ บ, บกยกไปเป็นสามกองตัวข้าพเจ้าจะยกเป็นทัพหลวงหนุนไปเมื่อจะยกเข้าปีนั้นให้มีประทับสัญญาแต่ดีิเสียงประทับก้อยแม่ทัพแม่กอง เร่งยกเข้าตีให้พร้อมกันทั้งทางบกทางเรือเบงหองกองหน้าละ่ะก็ยกทัพเรือสาสิบลำอา่าก็ลำละร้อยคนคุมหานสามพัยกไปยังเมืองตังหินรีกีตองจูเหล่าเบาสามคนนี่ก็คุมหานกันคนละหมืน่นยกเป็นทัพ บ, บกไปยังเมืองตังหิน จูกับเอกนั้นก็ยกเป็นทับหลวงหนุนมไปทั้งฝ่ายเอาจูนทับหน้าของวีโกะลกเอียงอ่าเอาจูนนั้นทับหน้าของสุมาเจียวเนี่ยก็สั้างสะพานนำกองทับข้ามไปถึงฝั่งแล้วก็ใช่วนแกหั่นจง คุมหานเข้าตีป้อมซ้ายขวาทีเดียวนายฐานรักษาป้อมบ่าขวานั้นชื่อเหล่าเลียนายฐานรักษาป้อมบ่าซ้ายชื่อจวนเต็กอันป้อมทั้งสองเนี่ยสูงใหญ่มั่นคงนะหวนแกกับหันจงนจะหักเข้าไปก็มิได้ก็ถอยมาตั้งมั่นอยู่เหล่าเลียจวนเต็กเห็นทหารเข้ามามากมายนะ จะเปิดประตูป้อมออกไร่ปีก็มิได้ก่อทำลายข่าศึกไม่ได้เมือกระทําเช่นนั้นไม่ได้กดต่างมัน่นรักษาป้อมอยู่เชนนั้นครั้งนั้นเป็นเทศกาลหน้าหนาวเอาวจุนก็ชวนนายทัพนายกองทั้งปวมาเสด็จตัวร้าอยู่ในค่ายกองคอยเหตุได้มาใช้คำอะไรางานบอกมามีกองทัพยรือินการสั่งโยกมา เป็นจำนวนเรือทั้งสิ่ส0ลสิบรังอาวจึงก็ออกเป็นมอกคายแลไปเห็นกองทัพแต่ไกลนูประมาณดูก็เห็นว่าเรือรัมหนึ่งนี่จะมันทุกทหารได้ก็ประมาณแต่สักร้อยนึงสามสิบรัก็ประมาณส0 0 0นคนก็จึงกลับเข้ามาในค่ายและก็บอกแกนายทัพนกองว่าเรือสาลสิบรั จะมันทุกทหารได้ทั้งสิ่งก็แต่เพียงแค่ประมาณสามพันเท่านั้นหาพอที่เราจะควรหวาดกลัวไมหมว่าแล้วก็สั่งให้ทหารรักษาไข่ฝ่ายตัวเองนั้นก็กลับเข้ามานั่งเซฟตุรากับนายทัพนายกองอีกนี่ประมาทแก่ข่าศึกป็นจำนวนสามพันเท่านั้นกลับมานั่งเซฟตุรากันอีก ก็เมาสุรากันทั้งบ่าวและทั้งนายนึ่นและฝ่ายเต็งหองแม่ทัพเรือแหังกังสังพร้อมเดืยดพลยทนทึงสามพันบุนนำเรือจำนวน30 ม, มาถึงก็เทียบเรือเข้าตรีแแปลไปเห็นคนใน่ข้ของข้าสึดเลิ้เลกหาได้รักษาไขา้มันคงแต่ประการได้ไหมเต็งหองเห็นได้ทีแล้วก็ประกาศแก่ทางน้ำพวงว่า เราก็ชายชาติทหารตั้งใจแต่จะหาความชอบใส่ตัวเราเร่งทำความชอบให้ได้ในวันนี้เถอะมี่เลยว่ามีการก่าวปลุกใจเราทหารกลาบมาเป็มูลสามพันของตนเนี่ยกลาบปลุกใจกันเนนั้นแล้วก็สั่งฐานนั้นวกถอดหมวกถอดเสื้อออกทุกคนห้ามอย่าให้ถืออาวุธยาวให้ถือแต่กระบี่และดาบ ที่ฝ่ายฐานในค่ายและเห็นดังนั้นก็ว่เลาะเล่นไม่ได้ระวังตัวก็ตัวเองมีฐารเป็นหมื่นๆนะเดงห้องนั้นสั่งการแก่ฐานของปมเรียบอกเป็นกองไปจังบานกันเลยล่ะอันว่าถอดเสื้อถอดหนวกเนี่ยหมายความถึงว่าเสื้ อ, อนเป็นเสื้อกลอกติดจะป้องกันอาวุธเด็ดถอดออกเสียมันจะได้เมาตัวต่วตอการที่จะรุกระวงเข้าถึงตัว ไม่รูบเร็วนั้นแหละเป็นของสั่งการราชนิพนายทาหารข้าศึกเห็นเป็นที่วะร้อนเร่งซะแล้วเป็นหองคอยจนได้ทีแล้วกให้จุดประทับสัญญาขึ้นสามมัดแล้วก็ถือดาบสองมือโดดขึ้นจากเรือวิ่งตรงเข้าสู่ค่ายเลยทีเดียวทาหารน้ำมัจำนวนสามัานก็วิ่งตามมี่เมาตัวตัวเมา ไม่ใช่ต้องใายกรอกันรุ่มร่ามทหารระเบียงวิ่งเตะตานหักแผดไข้เข้าไปได้หั่นจงหั่นจงถือทวนวิ่งออกมาแทงเตงหองเตงหองก็หลบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ฟันด้วยดาบถูกเข้าที่ท้องหั่นจงล้มลงและเตงหองก็ปลาดก็ะตักเอาศีรษะหั่นจงได้ฝ่ายโขนแกเห็นหั่นจงตายก็โกรธมา ช่วยงาด้าวิ่งเข้ามาแทงเป็นหองเป็นหองก็หลบได้อีกหละงาพลากไปในระหว่างตักแร้เต้หองก็หยิบงาวไว้หวนแกเหนน็่ก็วิ่งหนีเตงหองก็คว้างเลยได้ถูกแขนซ้ายหวนแกลม้มลงเ็นหองก็แทงเข้าทีเดียวถึงตัวแทงด้วยทวนของหวนแกนั่นแหละถูกหวนแกถึงแก่ความตายมีตัวตายสองคนตาย ทหารเต็งหองสารพันเหงายของตนอาถานนะัสังหารพรานชีวิตตัวนายของค่าศึกได้ถึงสองคนเท่นั้นในเวลานใกล้ๆกันเท่นั้นนะ่ะก็มีกําลังใจเพื่อเขมี่นะักไรกูกระหน่ำข้าฟันทหารของอ่าวจุนอ่าวจุนก็ขี่ม้าพาทหารแหกค่ายหนีไปเลยทีเดียวหนีไปถึงสะพานแพรฝ่ายฐานทั้งปวงในปางกลัวตายกันทั้งนั้น แตกตื่นทุลมวิ่งเมียดเสียบเยียดยับชิงกันจะลงแพ้ข้ามนะผู้คนลงไปมากมายเรือกำลังนะสะพานแพก็แปกขาล่มลงทหารก็ตายลงในม้าอีกก็ันมากอ่กอ า, กอาจุนเสียทหารตายในค่ายและก็เสียทหารตายลงในม้ามันนะ สองส่วนเหลืออยู่เพียงส่วนเดียวเสียมา้าเสียเครื่องฟาตราอาวุธเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นอันมากเขาพาฐานที่เหลือไปเหลือเพียงหนึ่งในสามตัวนั้นหนีไปหาสุมาเดียวสุมาเตียวแก้นเนความแล้วตรองการดูแล้วเห็นว่าจะทําการสืบไปนั้นขัดสนนะ ชึ้มาเจียวก็จิงให้ราทับกลับเมืองลกเอียงฝ่ายตู้กะเช็แม่ทับคนสาคัญของาตางตงพร้อมเด็ดนายครับไายกอง้งปวงยกมาถึงเมืองตังหินแล้วก็ได้รวดเตงหองเกิดทำการมีชัยชนะด้ยวยทหารจำนวนสามพันเท่านั้น วหวปูนํำเดน็จรงวัลแกนายทัพมายกองและราทหารเป็นอันมากและก็ปรึกษากับขุนนางท่านปวนวัดสุมาเจียวยกทัพมาทำอันตรายแกเราครั้งนี้เสียทีแล้วราทัพหนีกลับไปแล้วเมื่อเราได้ทีชะนี้เนี่ยจะยกทัพตามไปตั้งข้าประชิดบุข้างใต้แล้วจะให้มีนังสือไปถึงเตียงอือหเสียวน กองทัพตีกระนาบเข้ามาทางข้างทิศ เ, เหนือก็หวังว่อจะได้ยินล็อกเอียงโดยสะดวกเมื่อได้ยิงล็อกเอียงแล้วก็จะแบ่งพันธบินกันคนละครึ่งมีจูกกจ่กัดเก็กเชื้สายจู่กัดเลี้ยงเขเหลืวมขนบินแต่จูกัดเก็กมีอยู่ทางกางปังมนาะ